มีในหนังสือตาลมักสูตรบอกเอาไว้แล้วว่าอย่าเชื่อถือโดยเขาพูดตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าเือกันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นเขาทำตามกันมาอย่าเชื่อถือทางว่าเห็นว่ามันมีอยู่ในตํราหรือกติกาท่านให้อย่างนั้นแล้วก็อย่าเชื่อถือโดยการ เราไม่คิดเอาเองหลายข้อนะสิบข้อนะแต่วาไปยู่อาเองเพราะพระพเจ้าท่านตักไว้เพื่ออะไรก็เพื่อให้ทุกคนมีสัญญานั่นเองอันสัญญาเสื้อตังลามานั้นไม่ใช่สัญญาอย่างที่หลวงพ่อพูดนั้นคำว่าสัญญานี่มีคำเดียวสัญญาขัวหมายรู้จำได้เนี่ยเราพูดคาเดียวทั้งเอง แต่วาเราไปเรียนมาจากตำราละครับสัญญาเหมือนกันแต่หลงพ่อพูดนี่ไม่ได้พูดสัญญาแบบนั้นสัญญาคือความรู้อย่างที่เราคูณสัญญาคือมันมีมันมีในตัวมันเองเว่าสัญญาความหมายรู้จำได้ว่าสัญญาเหมือนกันมันมเรียนมาจากคูบาอาจารย์ก็เป็นสัญญาความจำไปอ่านหนังสือมาจากตำนาก็เป็นสัญญาความจำ แต่ไม่ใช่เป็นสัญญาณอย่างที่ยลงพ่อพูดนี่จึงว่าคาดคิดเอาไม่ได้โดนเดาเอาไม่ได้สัญญาตัวนี้คือสัญญามันลูมน่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทําให้เกิดหยาดต่างหยาดรูดแจ้งคำว่ารูดแจ้งก็ต่างเก่าล่วงภาวะเดิมไม่เหมือนเดิมแล้วนี่านี่ถ้าหากเหมือนเดินอยู่นั่นนั่นยังไม่ถูกต้องคือยังไม่ถูกกับสัญญาที่หลวงพ่อพูดนี่ นันั้นเมี่อหลวงพ่อพูดแล้วบางคนนะอันนี้ก็พูดเตือนกันเอาไว้หลวงพ่อมีหนังสือที่คนจะหลวงพ่อเขมียนังสือที่เต็นนะพูดถึงฝังมีคนเอาเทศไปเขี ย, น, ยนหนังสือทอดมาเป็นจดหนังสือ ้างคำหลวมพ่อพูดเป็นภาษาบ้านหลมพ่อเพราะหลวพ่อพูดไม่เป็นภาษากลางหลยงพ่อจำเป็นต้องพูดภาษาหนึ่งเลยคนไปทอดเทปหรือเขียนมาเป็นตัวหนังสือบางคนก็ไปตีคมหมายอันนั้นมันกับยืมเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไม่ยนะเพื่อคนจะได้รู้แต่คนจริงไปตคมหมายทอดออกมาบางทีผิดก็ได้อย่างที่เราว่าสันงานนี้เอง คำว่าเสียงนาคำนี้บางทีหลวงพ่อพูดเสียงนาอาจจะลึกนรืจะตื้นก็ไดอันนี้เรื่องอาการเกิดดับก็เช่นเดียวกันคําว่าอาการเกิดดับนี่หลวงพ่อก็พูดให้ฟังแล้ะอาการเกิดดับบางคนพูดเอาสูงสูงมาเป็นต่ำต่ำบางคนพูดเอาต่ำต่ำขึ้นไปเป็นสูงสูงอันนี้ก็หลวงพอ่อเขาพู ด, ดว่าอาการเกิดดับเช่นเดียวกัน หลวงพ่อเคยพูดแนะนำเอาไว้หลายท่านแต่คนเขียนหนังสือหลวงพ่ออ่านให้เป็นนะเขียนหีังสือก็เขียนมาถ้าหากบนภาษาหลวงพ่อตีควหมายได้แต่แซได้แต่ขอให้หลวงเล็กไปดูที่คําตัวเองยังสงสัยนะไม่ใช่ห้ามนะถ้าหลวงเล็ไม่เคชื่อคนพูดที่อ่านข้างหลังคําพูดของหลวงพ่อเป็นอย่างนี้ยังจะไม่เปลี่ยนแปลงบางคนตัดคําพูด ทิ้งไปเปย น, นภาษาแล้วมันก็เลยควหมายจมดเพี้ยนไปดังนั้นพระพุทธเจ้าท่าน อ, อย่าเชื่อถือโดยเขาพูดตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นว่าเขาเล่าลือกันมาอย่าเชื่อถือ โดยเห็นเขาทำต่างกันมาอยาเชื่อถือเห็นว่ามันมีอยู่ในตำลาทีว่าสัญญาอันนี้ถ้าหากพระพุทธเจ้าห้ามบอกว่าไม่ให้เชื่อถือจะมีสัญญาได้ยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงแต่สัญญาอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นสัญญาคําจําอย่างเราเกิดเมื่อนั้นวันนี้เนี่ยเราไม่รู้เป็นสัญญามาจากพอไงเราลูกพี่เราปู่ย่าตายายของเราบอกว่าเกิดเมื่อนั้นวันนี้ เดือนนั้นเวลาเท่านั้นอันนี้เราไม่รู้เรารู้มาจากข้อเราแม่เราหรือว่าปู่ยาตายายของเราสอนเราจำแต่อันนี้ก็สัญญาเหมือนกันแต่สัญญาอันนี้ก็ยังไม่สช่ตัวสัญญาลู่การเกิดของตัวเองการเกิดของตัวเองนั้นคือเกิดรู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะนันเกิดจากทางนมามธรรม เกิดทางสติปัญญาเกิดจากการถึงแจ้งเกิดจากการทำความรู้สึกตัวนี่เองสัญญาจึงควรรู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวอดิน้นมากคขึ้นมากขื้นมากขึ้นความไม่รู้มันจะค่อยสลายตัวไปสลายตัวไปเนี่หลวงพ่อพูดสลายตัวไปนี่บางทีถางนี้จะว่ายังไงหลวงพ่อไม่ทราบมันจะเลื้อนไปควไม่รู้มันจะหายไป เมือนกับเราถูกระดานหรือถูที่สกปกหรือซักผ้าจากเสื้อเราที่มันสกปกเราไปขยี้อะไรเพื่อนะนองเขา้าที่สกปกนี่มันจะเลอะเลือนไปหมดเลยแล้วก็ผ้าก็จะอาจขึ้นม า, าการเดิมตัวสัญญาตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราลูบบ่อยเข้าบ่อยเข้าสัญญาตัวนี้มันจะแน่นนี่ว่าจําได้แน่นยําอย่างที่เราเป็นแผล เราเคยเคยได้ยินเนี้ยโยนหลวงพอเองก็เคยเปลียนอย่างนั้นเมื่อส่วนมีเจ้าหน้าที่ถานอย่างนั้นเวลาเราไปร่วมแต่เขานั้นมันไม่มีมันไม่มีบัตรประจําตัวเขาเปีป้ปั้นหลวงพ่อปี้อะไรเขาเ ป, ปี้อย่างนี้ว่าเราไม่รู้เมื่อก่อนอ่ะคุณเกิดวันใดเดือนใดจํามีแผลยไุไสเขาถามอย่างนั้นพวกเขาจะออกใบเสร็จใบปีนะ้นให้นะ่ะเป็นอย่างนั้นมันเะรือนเขาต้องรู้ว่า มีแผลยื่นใส่เราตรงรูที่ลูรับอยูขนาดไหนตรงรูเนี่ยเมื่อเอาพื้นขึ้นให้เขาเห็นหรือบอกเขาโอนี่เขาเอาไปลงเช่นิสหรือไรผู้เชิญงานที่หลวงพ่อพูดด้วยราเช่นเดียวกันจะไม่มีวันเลอหลวนได้เลยจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่งอางอนไม่ได้ จ, จ, จะวันลู่แจ้จริงๆถ้าลู่ลู่น้ำก็ต้องรู้ลูกนาำจริงๆอย่างที่เขียนตามตาราตาเห็นเป็นลูกย้อนลูกเป็นน้ำ อันนั้นเป็นตำราเจอตาเหนลูกอะไรถามถึงลูกนามไม่เข้าใจบางคนหลวพ่อเองก็เคยจำมาไม่เข้าใจแต่มเมื่อมานู้นแล้วมันกาเรียกว่าลูกนามเลยแต่ไม่ใช่ลูกงามอย่างเดียวมาจากตำรามันเป็นอย่างนาั้นทว่สัญญามันรู้เองมนันเยอะลูกทําน้ำทำลูกทำแล้วก็ให้ใจว่าเป็นอ น, นันามิตย์ควรจริงมันก็มีสิ่งจริ ง, รงลูกทำได้จริงจรงเห็นรู้เข้าใจเพราะสัญญานี้เอง เมื่อจะยารู้แล้วจะมีจะไม่มีวันเลื่อนเลยจากชมหายอยนั้นตลอดเวลาคือรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราน อ, นอนอยู่คนเดียวหรือพูดกับเพื่อนไปเราก็ไม่รู้พอดีคนมาถามเรื่องเรื่อนน้าชัดขึ้นมาทันทีเนี่ยเปนยน็นอย่างนี้จิตวสัญญาจำได้ไม่าด้เลยยมันรู้เมื่อเขาถามถึงเรื่องมุติ เขากระจู้ลันทีเลยเพราะเขารู้มาดีสัญญาเขาไปสัมผัสมาเองแต่ไม่ใช่สัญญาอย่างที่ว่าซาลาสุสุบุษขึ้นมาเสื้อทางเซงหรืออะไรต่างๆในสัญญานี้สมมติมัญญนก็จกิงแต่ตัวสัญญามันรู้ขึ้นมานะ่มันจังหวะมันก็เป็นสัญญามืแต่มันรู้จริงไม่จะ่มาขอ ขอกับพวกเราทุกคนอ่านหนังสือไปพบบางสิ่งบางอย่างนั้นให้เข้าใจคำพูดของหลวงพ่อไม่คงที่ก็มีบางคำนะ น, นว่าเตือนกันเอไาไว้บัาเนี่ยถ้าคนไนเอาเท็จไปเขียนก็ตามหลวงพ่อไม่ได้สมวนนะแต่ยินดีคนเอาไปใช้ได้ แต่ขอให้โยงเล็กเป็นคนหมายไว้เออคำนี้เราไม่สามารถที่จะแปลออกมาได้ก็ต้องรักษาไว้ตัวแปลออกมาได้เปิดคำเดิมแม้ในมืองคงที่อยู่หลวมพ่อเข้าใจว่าเมื่ออนุชนนุ่นหลังจะได้จําไว้ก็เขาจะตีคนหมายหรือเขาจะปฏิบัติโนมาเป็นอย่างนั้นบรรลุเมื่อถานถึงทุกครั้งอนุจังอนุตตาหลวมพ่อก็เรื่องเหมื อ, ก น, อ น, นกันนะเรื่องกับครูกับอาจารย์ทุกครั้งอนิจังอนุตตาทุกแปลว่าคนไม่ไหว อ น, นุจังไม่เที่ยงอนัตตา บ, บังคับบัญชาไม่ได้ตําราโพจ่านั้นคูดาอาจารย์ก็อย่างนั้ น, าาา น, นแต่เมื่อมาปฏิบัติแล้วมันไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันก็จริงคําพูดมันจริงอยู่เลยแต่ตัวจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่นเป็นอย่างไรจงพอคําพุ่นจะเคลื่อนไปได้มันคาดคิดไปในอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือใครก็ไม่รู้จี่มันตักไว้ในมือสุขลามาสโซสดนยาเชื่อถืออย่างนั้น ถ้าหาเสื่อถืออย่างนั้นทําไมพระพุทธเจ้าจะไปห้ามอย่างนั้นไว้ทําไมในสมัยพระพุทธเจ้าจึงได้สอนกันเลยจึงสอนให้รู้จั ก, จกเดกไปทําเองด้ว่าไม่ให้เสื่อถือใครทั้งหมดให้โตเองรู้อเองเห็นเองเข้าใจเองสัมผัสขึ้นมาเองเป็นสัญญาความหมายรู้จำได้จริงๆมาจากมันสมองหรือจากตัวกฎของธรรมชาติจริงๆ คือมันมีธรรมชาติของมันที่ให้จริงๆเรื่องนี้เรื่องศาสนาพุทธศาสนาบาปบุญเนี่ยมาจากสัญญาโดยกฎของธรรมชาติที่หลวงพ่อเรียนมา น, นั้นมันเป็นตาําราครูบาอาจารย์สอนให้มันมันเป็นตําราจํามาจากครูบาอาจารย์พอดีรู้อันนมาคําเรียนมาจากครูบาอาจารย์เรียนมาจากตำหราเลือ้อยเรื่อยไปเลยเพราะอันนี้มันเข้ามานแน่นแน่นอยู่แล้วอย่างน้เป็นอย่างนั้น จึงทําให้คนเปลี่ยนไปจากควรเป็นรุ่นไปไม่ใช่ทําให้เป็นอันนี้เปลี่ยนนะทาให้จิตใจเปลี่ยนไปจากสภาพเดิมได้จริงจริงอันนี้หลวงพ่อว่ามันเป็นหน้าที่ทุกคนทําได้แต่เราไปฟังนั้นถ้าหักฟังได้แล้วรู้แล้วอันนั้นอาจจะถูกขของคนนั้นก็ได้แต่เรายังทาตามส ภ, ภาพเดิม น, นั้นแสดงว่า เรายัางมีอะไรอยู่ในตัวเราเรายัางไม่รู้สิ่งที่รับเราจะมองไม่เห็นเพราะสัญญาอันนั้นมันไม่ไม่แสดงออกมาที่หลวงพ่อพูดในวันนี้ก็ผิดเดินีนก็ได้เป็นเรื่องเดินนั่นแหละคำพูดตัว่มีเตือนกันให้ทุกคนพยายามทำตัวของตัวให้มันเป็นขึ้นมาจริงเรื่องนี้สังเอาได้จดจำเอาได้อย่างที่อาล้นของวิตสรรคนี้หลวงพ่อเรียนมา าอากอาจารย์ให้ไปเรียนก็ต้องเรียนแต่ว่าให้ทองให้บุญหลวงพ่อให้ทองบุญเลยดนไม่เป็นแล้วว่าไงอารมณ์นีปัสนาใน่ท่านว่าอารมณ์หกฉันว่าคือเรียนให้รู้ขันห้ารู้เวทนาสัญญาสังขารบุญญาท่านข้าให้เรียนก็เรียนแต่เมื่อรู้มาแล้มันไม่เครู้เรื่องนี้อย่างนั้นเต็มมันก็รู้อันนี้แต่มันไม่ใค้รู้เรื่องนี้อารมณ์ของปัสนาคือขันห้า อายตนะสิบสองอายตนะคอตาหพยพยูจมูกดังเนี่ยจมกลี้ยกายใจเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกลูกเสียงกินนวดสัมผัสท ร, รมาล้มเป็นอายตนะภายนอกรวมเข้ากันก็เป็นอายตนะสิบสองเท่าไหร่างไลถ้าสิบแปดจั๊กคูเนี่ยจักคูธาตุเนี่ยจักคูธาตุนี่คือธาตุหนี่ยจักคูคือตากรคําเดียวกันนี่เองวันนี้ จกคูธาโสตาธาคานาธาซูหาธาเป็นอย่างนั้นท่านก็นพูดเรื่องธาตานี้บ่อ น, นี้ยบันเ น, นี้ยธาตุสิบแปดอินซูสิบสองบันเนี่ยจกคูจินซีโซจินซีคานินซีเซิงฮิซีไปอย่างนั้นเลวบันเนี้นนอริยาสัตตีปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นตัณลานะเมื่อมาปฏิบัติแล้วเกิดข่มลือข่มเห็นคข่มเข้าใจจริงๆนะมันผูกน้อย แต่มันยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะจิตใจของเรามันยังไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยนึกว่าเจอเองเรียนรู้แล้วพูดให้หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังหลวงพ่อเคยสอนกรรมฐานให้วใหว่าให้มียวะยังไม่ได้ทำัยเมื่อ น, นั้นสอนให้เพือให้น้องสอนได้เมื่อมาปฏิบัติแล้วมันก็เลยไม่ถูกกับที่เราสอนมาแจมันกรถูกเหมือนกันแต่จิตใจไม่เปลี่ยน มันมเมื่อเขาไปฟังเนื้อเยื่อนั่นจะแก้ไขอารมณ์ขั น, น, น, นชานี่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอารมณ์ตะสนาที่หลวงพ่อรู้มาก็ก็เป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันตั้งนาเขาพูดว่าขั้นแรกเขาเรียกเป็นปฐมมาสาปรปฐมามาสนรมีองค์ห้าขาวาอย่างนั้นมีวิโกวิจางปีติสุขเอขัตตาขวาย่างนั้นมันนี่ทูตจิงญาสารมีองค์สามบางบางคําเขาจะตั้งองค์การสี่นะ บางทีเขาจะตั้งเป็นสารห้าเขาวาดเป็นตะครุในหนังสือคู่เมย์ธรรมวิจารเมื่อคู่เมื์นักธรรมสันโพก็มีเขาพูดไว้แล้นะครัว่าปฐมสารมิตกวิจาร์อะไรบัดนี้ทุกติณกรรมมีแต่วิจารกับปีติขึ้นไปใหเขาขั้นที่มไปขั้นวิตรุจิทิ่ไปมันนี้ก็ขั้นวิจารก็บที่มไปขั้น ปีที่เขึ้นไปกันมีตัวอุเปขากับสุขจนั้นขวาย่ันในตำราแต่เมื่อหลวงพ่อปฏิบัติมันก็ทูกเหมือนกันแต่มันไม่ได้ทุกอย่างนั้นหลวงพ่อคือกันเถื่อนเมื่อรู้รูปนามนี่หลวงพ่อทีแรกหลวงพ่อว่ายหลวงพ่อรู้ตัวปฐมมรรฐานมันพูดให้ฟังเขาจำได้นี่แต่มันก็เห็นไม่ถูกต้องแต่มันทูกทูกสําหนับคนผู้ที่รู้อย่างนั้นตอนหลวงพ่อเองหลวงพ่อพูดเรื่องหลวงพ่อเอง หลวงพ่อไม่ได้เอาเรื่องของคนอื่นมาพูดจึิงๆหลวงพ่อพูดเป็นเรื่องของตัวเองเรื่องตัวเองมีอย่างไรคนอื่นก็ต้องมีเหมือนกันเพราะคนอื่นนั้นทุปกตัวปิดบว ก, ก็ได้ดูทุกอัดแน่นก็ได้ดังนั้นจึงมาทํำผมรู้สึกตัวเนี่ยให้มันรู้สึกพลิกมือก็ให้รู้สึกอ้อมมือก็ให้รู้สึกเอหน้าเคลื่นไหวยรู้สึกเลี้ยวกัยังนี่ก็รู้สึกเลี้ยวมันยังไม่ก็รู้สึก ตาจะมีก็รู้สึกมือนีเพิ่ก็รู้สึกตาเหลียวเลือด้ายเลอะหัวก็รู้สึกกลืนนําลายไปในนลาคอก็รู้สึกนมันนี่หายใจเข้าหายใจออกรู้มันนึกมันคิดรู้ทั้งนั้นก็เลยเกิดสัญญาอนุรู้ขึ้นมาสัญญาด้วจุที่มันรู้เนี่ยสัญญารู้อันไม่ใช่เราไปรู้จํามาจากปรินักตัวสัญญามันรู้มันเองจ้ะมันไม่หลงมันไม่ลืมมันจึื น่นแค้นแนบแน่แแนนกับสิ่งเล่านั้นจึงว่ามันเป็นของธรรมชาติมันนั่นเป็นอย่างนั้นจังวะหมดเลยเรื่องลูกงามงานดีหรือสิ่งเสต็จมึนเมาหลวงพ่อเคยพูดหลวงพ่อจิตบุรีนั้นเมื่อหลวงพ่อไปปฏิบัติธรร ม, มพอดีหลวงพ่อรู้อย่างนี้นเนาะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์เนี่ยก็เลยรู้ทุกข์ขึ้นมาจริงๆรหลวงพ่อก็เลยเลิกได้จริงๆเรื่องกระจุก บ, บุญงาน เครื่องรางของขังหลวงพ่อเลิกได้จริงๆหลวงพ่อไม่ย่าดไม่กลัวเดี๋ยวนี้แต่ก่อนหลวงพ่อกลายด้วเหมือนกันกลัวผีจะมาทําให้เราเนี่ยอย่างนั้นเมื่อก็ไปเรียมนมนต์การผีผีในเจ้โอไม่เคยกันเลยเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ขอพูดความจริงให้ฟังญ่าดป่าเฮลวป่าซาบ้นานหลวงพ่อเดียวเมื่อคนตายแั้วเอาไปไปฟังนั้นว่าป่าเฮีเอาคนไปฟังคันคนตายคุณตายผ่าตายหูเมื่อเขาว่า้ไปฟังคนปเฮี เอาไปสั่งบนนอกไปเฮีไปคุณเขาวามัจจิดทำลายบ้านเมืองหามอบนไปกดบนในบ้านหลวงพอ่อให้คาถากดกดพีไตกลุ่มตาตพายพีไตหูนนะั่ะเป็นอย่างท่างหลวงพ่อก็ได้ไเหียนนมมุมอะนมมือหลวงพ่อพูดตรงื่อนะี่มันเป็นคำภาษาหนึ่งเลยแล้วไปตีคนหมายก็เลยผิดไปได้งน่บัด น, นี้ก็พอดูนู้นถามมาเนี่ยหลวงพ่อไม่กลัวลมันเป็นส ม, มุิมมเท่านั้นเองม่ส ม, มนนุิอะคนไม่คอยรู้ก่น ถ้ารู้แล้วทำไมไปเพ้นท์ทางนั้นหลวงพอเลขใบดเลพเยพระองค์เลิกได้ขนาดนี้หรือพอ่อเนรมันขนันศักดิ์สิทธิ์จริงๆซึ่งเขาแปด้อยบาทนะขาวนั้นเงินแปด้อยไม่ใช่ของ้อยนะไม่แต่การเกณฑ์วนยีสิบสองสตางค์กูหลวงพ่อซื้อตอนนั้นเนี่ยพวกหนังขาวนั่นอ่ะใบนือโดยมันบาทกับยี่สบห้าสตางค์หรือว่าห้าสลหนึงเดี๋ยนาาวนีราคาต้องเป็นยสบสามสิบบาท เป็ังไางเต็มแผ่เนี่ยมันได้โตเงินไม่เกินสิบสลึงเอาเงินเข้าน้ํามมันไม่ติดเลยหลวงพ่อซื้อข่าวนั้นน่ะมันไม่ใช่ของคิดเป็นเงินแล้วเขาจังหลายสตางค์อย่างนี้พอดีหลวงพ่อรู้แล้วโอื่องนั้นมันไม่ใช่ถึงของจริงเอาไปให้แหละดีแล้วมันเป็นสมมติมันเป็นสมมุติคนที่อย่างไม่รู้ก็จังเพิ่งอย่างนั้นแต่ก่อนเมื่อรู้แล้วไม่จังเพิ่งเลยหลวงพ่อจะไม่กลัวผีกลัวเทวดากลัว พื้งานงานดีทุกวันมีหลวงพ่อไม่กลัวเลยแต่กลัวจะคนที่มาตีหลวงพ่อเนี่กลัวเนี่จ็บจริงๆครับเนยถ้าเอาคนมาตีหรือเอาไมดมาแทงหรือเอาผ้ามาฟันเอาปืนมายิงหลวงพ่อกลัวอย่างนั้นแต่เรื่องที่ไส้หนังบางฟันมัวธะนุโคน้าน้อยไปบวชสวงผีมากินหลวงพ่ออดไปไปวนมาเลยบ้านแต่ว่านหลวงพ่อเทียนมันจะกลัวเลยผีมันก็กลัวหลวงพ่อทันทีเลยเป็นอย่างนั้น อำวนาหลวงพ่อเทียนเนี่ยขอแนะนําให้ฟังต่ไม่ใช่ซื้อหลวงพ่อนะคนก็รู้ในนํามว่าหลวงพ่อเทียนแต่ควรจริงพ่อในเทียนครับว่าบ้านหลวงพ่อน่ยพ่อในเทียนนึ่ยเขาเลยเอาหลวงพ่อเทียนมาไว้กับหลวงพ่อควรจริงหลวงพ่อซื้อพันซื้อพันตัวพอผ่านแล้วก็ตัวนอนหรือตัวทอทงกะลันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเลยคนก็เลยไม่รู้ไม่ใช่ซื้อหลวงพ่อเลยก็เลยหลวงพ่อเทียน คนรู้แค่หลวงพ่เทียนคันซื้อหลวงพ่อพันใคนในรูเลย <c oughs> เป็นอย่างนั้นที่ว่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันคนคุ้นหูของเราเนะี่ยเข้าใจจริงๆการปฏิบัติธรรมากกว่เช่นเดียวกันเมื่อเราคุ้นหูเข้ามาแล้วสนิท ส, น, สนานเข้ามาแล้วไม่มีวันที่จะเลิกเดือนได้อันนี้ดัง น, นั้นจิตใจเขจิตเป็นเือนเป็นตามลาดับเป็นปฐมฝาหมีอันนี้มันเป็นแตขน่ของมาเลิกกันเองหลวง่อเคยเปรียบเทียสั แต่สมัยหลวงพ่ออยู่ที่บ้านหลวงพ่อคนล้ำวงขั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้เสียสตางค์เลยเรื่องปฐมนุเรศใครไปล้ำไปฟ้อนก็ได้บ้านหลวงพ่อวันรอบที่สองอยู่จังเก็ตสตางค์ต้องให้บัตรถ้าคนใดไม่มีบัตรขึ้นไปลําไปฟ้อนของเขาไม่ได้เนี่ยอันนั้นแหละเป็นปฐมนุเรศอันนี้เป็นปฐมนุสารมนาะเป็นอย่างนั้นดังนั้นจะประนมะสารจริงๆแล้วก็ต้องรู้จริงๆ การที่ใจเปลี่ยนแปลงจากสภาพบนจริงๆจึงว่าเห็นปรมัดจริงๆเป็นปรมัดอันนี้ก็เป็นปรมัตดแต่เป็นปรมามัตดสมมุติอันนั้นเป็นปรมัตดจริงอย่างนั้นที่หลวพ่อาสมมุติบัญญัติปรมัดบัญญัติอัตตะบัญญัตอิอธิยะบัญญัติบางคนอาจจะตีขวอมหมายผิดก็ได้บางคนผู้ที่รู้แล้วก็ฟังได้ค้องตัว่าเป็นอย่างนั้นแต่บางทีคนไม่รู้ก็จะตีค้อมหมาย สมมุติบรรจัคมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเดิปามปรมัดบัญญัคมันต้องเป็นอย่างนั้ น, น, อ, น อ, อย่างนั้นยอัฐาบัญจัคมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอริยะบรรจักต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ก็พูดตามตำราที่หลวงพ่อพูดเลยสมมุติบรญจัก็สมมุติให้มันแต่เป็นสมุติบรรญักรก็จริงแต่เป็นโจทย์กฎหมายก็จริงแต่เป็นสมมุติเป็นปร ม, มัดสมมุติัน่ี้อย่างที่นัิกาเนี่ย เป็นปรมัดเป็นเราเห็นทุกคนเป็นปรมัดสมมุติสมมติให้มันเป็นอนิจจารแต่สมมติบรรดาจริงๆก็คืออะไรตโตเขาได้ทุกสมมุติขึ้นมาแต่เป็นปรมัดไม่ต้เป็นอะไรจริงว่าเป็นลูกเป็นนามเป็นลูกทำเป็นนามรมเป็นทุกขังเป็นอนิจจาร์เป็นนิาตาไปตามเรื่องอยู่พนนี้เป็นปรามัดสมมติแต่แบบสมมุติขึ้นมายังไม่ได้เป็นปรามัดบัรดาขึ้นมาเพาว่าปรมัดบรญดาเนี้ต้องเห็นจิตใจเราคิดคุณ เป็นปรมัดขึ้นมาจริงๆเป็นปรมามัดโดยที่ไม่เกลี่ยนแปลงไม่แปรผั น, นรู้ว่าขั้นตอนนั้นไม่รู้ขั้นตอนนั้นเป็นปรมามัดบัญญัติอัตตาบัญญัติคือมึดบุคคลที่เห็นจิตใจและชีวิตตัวเองเนี่ยยากบุคคลดีเข้าใจคนเราจรึงเป็นทุกข์เพราะจิตใจมันมึดมันคิดนี่เองเมื่อมันมึดมันคิดขึ้นมาแล้วก็เข้าไปในควคิดไม่มีการหยุดกันถอยเลย บางคนนอนไม่หลับบางคนคิดยังนั้นอย่างนี่เนี่ยอันนี้อ่ะพระุทธเจ้าจุมาตเป็นปรมัตารยบัญญัติขึ้นมาเพราะโดยตัวมันเองยิ่งมามาตัวสัญญาตัวนี้เองมันจะบัญญัติขึ้นมันเองตัวสัญญาเข้าไปสัมผัสแล้มันจะบัญญัติตัวขึ้นมาตัวมันขึ้นมาเองจึงนวะตัวสัญญาตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ สัญญาเนี่ควรหมายโน้ตจำได้ใครก็จําได้อย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ฟังหลายเท่ก็จําได้ติแต่ยังไม่งง เ, เป็นสัญญาของเราเป็นสัญญาของคนอื่นจํามาจากการได้ยินได้ฟังนิจตายเห็นตัวหนังสือเนี่ยเี่ตญนาเขาว่าอย่างนั้นอันนั้นเป็นสัญญาโดยที่ว่ามาจากตำนามันไปค้านเอากลับหนังสือกลมัมาสู้อบอย่าเชื่อถือโดยเห็นมันมีอยู่ในตํำรานเนี่ย ท่บอกไว้อย่าเชื่อถือบุคคลที่พูดนั้นน่าเชื่อถือไหมเราไปเชื่ออย่านั้นกัศแสดวว่าเราไม่ไม่ฟังคําพูดให้มันดีๆเราเคยได้ยินบางคํานะที่เราฟังกันแล้วมันตีความหมายไปไม่เหมือนกันนี่นะอย่างที่พระพุทธเจ้ากับพระวกลิกนี่นะเราเคยได้อยู่ทุกคนในหลวงพ่อฟังมาเดินบ้านหลวงพ่อเขาพูดกันอย่างนพระวักกะลิกโกชอบพระพุทธเจ้า ไปไหนมาไหนเขาติดตามพระพุทธเจ้าท่นว่าอย่างนั้นบัดนี้พระวกรกลิศก็เลยไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้ากเ็เลยถามพระวกรกลิศพระวกรกลิศพระวกรกลิศตายตนไม่ตายเปลนถ้าตายแล้วก็นเน่าเหม็นเป็นไหมเน่าเหม็นเป็นซีมาใส่ตัวอันนี้พวะวกรกลิศว่าไม่พระพุทธเจ้าอยู่ขาดตายตนไม่ตายเป็น ตายแล้วขาดเน่าเหมือนเป็นไหมเน่าเหมือนเป็นถ้าตายเป็นเน่าเหมือนตป็นแล้วจะเป็พระพุทธเจ้าได้อย่างไงเนี่ยท่านว่าจัางเลยโจนี้สําคัญนะตอนที่แกพูดต่อไปดีนะท่านว่าเอาไม่จ้องพูดถึงไรถีงเรือ่องอะกว่าผู้ดใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเนี่ผู้ดใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับทรายจีวรเราอยู่หรือจับนุ่ม น, นุ่เท้าเราอยู่ก็มไม่เห็นเราเสื้อไม่เห็นธรรมเนี่ย เรานีด้วยใครที่จะทำเราเจ้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แสดงมาแต่มันไม่เคยเป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นมันเป็นวัตถุมันเป็นวัตถุธาตุมันเป็นดินน้าไฟลมธนวายอย่างนั้นแต่คนก็เลยไปปฏิบัติธรรมะไม่ใช่คนอื่นนะหลูงพ่อนีิเองนะพุทโธเองนะดีกว่านะมันจะไม่ขาดเครือแบบเราเองเนี่ยพูดว่าเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นแต่ควรจริงท่านให้เห็นตัวเราด้วยเอง กำลังทํากําลังพูดกําลังคิดนายอยู่นอนอยู่เดินไปเดินมาให้เห็นตัวเรานี่เองท่านว่าเห็นเราท่าไม่ใช่เห็นพรุทธเจ้าไม่ใช่เห็นพอเห็นแม่อะไรเน่ยเห็นตัวเรานี่ยจะพูดอาเห็นทำพูดนั่งเห็นเราเนี่ยเห็นตัวเราจริงจริงเนี่ยอันนี้เราต้องเห็นรูปพระพุทธเจ้าเห็นหอมาลอยมาเดินจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าอํานี้เราเห็นจริง แต่ของทุกเห็นน่นแหละไม่ใช่ถึงของจริงเนี่ยฟังให้มันดีนะที่เห็นจริงแต่ของที่เห็นนั่นไม่ใช่ถึข ง, ง, งของจริงทําไมจึงไม้เป็นของจริงเราจะเห็นจริงทํำไมมืตาของเราไม่เห็นจิตเราเลอกเมืองเราเองคนดูนานถ้าจึงสอนเอาละจิต ค, คนเนี่ยเร็วที่สุดเหมือนกับลืมเหมือจิตคนเหมือนกับลืมลืมให้มันนั่งมันน้่มันไม่ได้มันจะ ก, กระโดดโลดเต้นนั่งอยู่ยางนั้นอย่างนี้แหละมันเป็นจับนู้นจับนี่ ท่านจึงสอนว่าจิตคนเหมือนออกแวกออกลับใบไหวบุดมีลานไข่ในต้นเราทา่านควรบังคับคนให้จุดเหมือนมาแต่ในทางข้างดีพอปล่อยไว้บางอย่าปล่อยมันเขาไม่รู้จักมันให้มันหมวนไปในทางข้างเกียทําที่นี่ก็จะมีจาก น, า, กนายหายสูญทําอะไรมีมันหนีไปก็ควรรู้สึกไม่หนีนั่นเองก็ไปดูไปดูความคิดกันเอง มันนี่คนรู้สึกเลยศูนย์ไปหายไปอาธรรมเขาครอบนำมันอาธรรมอันนั้นคนยะยสมบูรณ์ก็ปิ้นปอกหลอกตนเนี่ยใจมันหลอกเราแล้วก็เห็นหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังหพ่อเห็นเล่ห์เห็นเ้ตเรี่หลวงพ่อเด้อจึงโกลไหลวพ่ อ, อยนูคิดว่าจะได้ิล์มเนี่ยพ่อดงพ่อไม่รู้ทันคนไกลของคนคิดนี้เองเมื่อมารู้คนไกลของเงเคลือนมันเป็นมายา คนคิดว่ามันเป็นนายาจริงๆเหรอมันเป็อย่างนั้นดังนั้นให้เราเข้าใจมืจริงของจริงเป็นจริงที่หลวงพ่อพูดนี่รู้ตัวเองมันรู้ทุกคนฟังแล้วไปพิจารณาเอาเองเดินจนกลมบ้างทันควรรู้สึกเด็กนูนขึ้นมาสัญญาจนั้นจะรู้ขึ้นมาพ่อสัญญามีในคนทุกคนไม่ยกเว้นจะ เ, เป็นผู้หญิงก่อสร้างเป็นผู้ชายก่อตามเป็นผ้าสงศ์องค์เจา้าก่อตามให้รู้ว่าคนเราคือกันทั้งหมดเลย คือศาสนาใดมุ่งผ้าสีอันใดก็ตามเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนคาโนนคนเมืองคนมคนันเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเนี่ยของที่ขัว้วใบเนี่ยเราไม่ได้ถูกหงายขึ้นมาอย่างที่มันก็นเลยข่้วหน้าอยู่อย่างนั้นจิ๋ว่านเราไม่เห็นไม่ได้เราหงายขึ้นมาโอ้มันเป็นอย่างนี้หงายขึ้นมาอย่างนี้มันไม่ขอกี้ปิดใบเลย อ, อัตโนมัติ เราไม่เคยโน้นออกมาไม่เคยไขยออกมาก็เลยไม่เห็นมันนี่เราไขาออกมาโน้นออกมาให้มันเห็นแจ้มรู้จริงเราจะเข้าใจจริงยังที่พระพุทธเจ้าพระตับพระวร ก, กลินะพูดให้ฟังแล้วก็ไลายพระวรกลิศนีพระวรกลตจะไปโดนเหว่าตายแล้วกันบ้นี่เราก็เชื่อเข้าใจว่ า, าพระวรกลิเป็นตัวคนอันนั้นเป็นตัวกะราธฐานควรจริงพระพุทธเจ้าด่าพระวรกลิ มึงต้องไปให้มันทนควคิดอันนี้ท่นบอกว่ามั้นเตียนหลวงอกระเดาเอานักคนนี้คนเตียวงพเข้าใจอย่างนั้นความคิดมันจำปุงแต่งตัวเราอยู่เสอมอไปให้มัมีคนคิดปุ่งแต่งนี่ทําวัอย่างนั้นที่ว่าสังขารปุ่งแต่งเนยธนาสัญญาสังขารไม่ปุงมันแต่ท่ามันเราไม่ดีแล้วทํำมจึงให้สังขารปุง่งเราไม่รู้มันได้จามาเราไม่มีสัญญาตรานนางร น, นี้เมื่อกระนาตัวนี้เหนรู้เข้าใจเราอ้นี่ นีจากคนคิดแบบนี้เถอะววิชารู้แจ้งรูจร้จินทระอะวิชาคือไม่รู้อันนี้เองเราเข้าไปในคนคิดเรากระปรุงแต่งเดินนั่นเดินนี้คิดกระเทาะเนี่ยเดินจนคนไปบางครั้ง น, ะงนั้นหลวงพ่อเทศไทยผีฟังก็เป็นเทศให้คนฟังก็ได้เนี่ยเทศไทยเทดเวดาฟังก็ได้กันไม่เป็นอย่างนั้นะอันนั้นเนี่ยคนคิดปรุงแต่งสังขงารปรุงหนีจากคนคิดทันนั้นให้พ้นทำาอย่างนั้นแต่ว่าหลวงพ่อคิดเอาเองนะไม่ได้เห็นเขาไปเจ้าอันนี้ยังไง อาะวาะอลิตมือไปให้พ้นอย่ามาอยู่ใกล้เล่าคนคือมันเป็นควมคิดที่ปุ่นแต่นั่นเองเราเข้าใจอย่างนั้นดัง น, นั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมมากกวเช่นเดียวกันเดินที่หลวงพ่อพูดเมื่อที่หนึ่งเมื่อเราแตลคํำพูดหลวงพ่อไม่ตรงก็ต้องลงเล็มหมาที่สําคัญบอกให้คนที่เกิดมายรุ่นนั้เขาจะปฏิบัติธรรมะเขาจะรู้โอ้ควรหมายอันนี้เป็นอย่างนี้ควรหมายอันนี้เป็นนี้เขาจะได้รู้ขึ้นมาเป็นอย่างนั้น เส้นอาการเกิดดับก็เหมือนกันที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ยทิศมือขึ้นเป็นตัวควดบเลงเป็นดับอันนี้ก็เป็นอาการเกิดดับมันเป็นเปลือกเป็นกระนคือเหมือนกับสัญหาเนั่นเองมันทิกตาลงมาเกับเป็นเกิดเป็นดับหายใจเข้าก็เป็นเกิดเป็นดับจิตใจนึกที่ก็เป็นเกิดเปดับอันนี้เหมือนกับเกิดดับพื้นเพลินแต่คําพ้นอาการเกิดบับเหมือนกันแต่คนไหมายหลวงพ่อพูดอาการเกิดดับไม่ได้พูดอันนี้ หลวพ่อพูดอาการกระดับวันที่หลวงพ่อตัดเสื้อขาดคนณหงพ่อพูดอาการกระดับจนนาสุาดยุ่ อ, อ, อาการกระดับก็เหมือนกันเราต้องฟังให้เป็นถ้าหากเราจะพูดเลยมันไม่เข้าใจแล้วมันจะเป็นบ้านหลวงพอเราหิน ด, ด้านเนี่ยหด้านรับภาบวกกัดพูดไปทั้งวันทั้งคืนกับโบ ก, กับมันมันด้านหีนมันด้านพาก้าบ่นเนี่ยเราเอรักสบายไปชุดเรื่องสบายกับเรื่องสบายเลยบ่นเนี่ย พุกพาแล้วก็เรียกว่ขมถ้าหลุสบายไม่ไหม้ตรงนี้เออพุกเล็กมันจะขับออกเลยอันนี้เลุดสบายจะขับไม่ได้ออกไปเลยชนี้มันจะออกมัดถ้ายีนดีๆถ้ายีนซาดีๆเราเอามดไปฝนมันจะขับมัดมันกับสินเพชที่เอาเฟือกับยูสูร์นีน่นะมั น, นสมดังถ้ายีนด้านเราพุกบกขับเลยอันนี้ก็คือกันที่หมองพอพูดเนี่ยอาการเคล็ดดับจีมันต้องรู้จักอันนี้ก็คือกัน ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยอาการเกิดดับที่ว่ามันต้องรู้จักเกิดดับที่เล่ตายไปประทุตรงขั้นเพรา้มันไม่ใช่ถูกที่ควาหมายที่หลวงพ่อพูดนั้นอันนี้แปลว่าสแสดงคนจริงให้ฟังเพราะเวลาของเรามาฟังธรรมะหลายคนก็จําได้บางคนไปปัจจุบันก็ยังหลงอยู่นี่มันเป็นอย่างไงที่ว่าอาการเกิดดับที่จุดสําคัญหลวงพ่อพูดมี่คือมันเป็อย่างนี้นะพอดีเรารู้จักอารมณ์ ขั้นที่มึงทาลายโทสะโมหะโลภะได้นะครับขั้นที่สมาก็ต้องกิเลสตัณหาอุปาทานได้ทําลายได้พราะสัญญาจเจ้ื่นไปทําลายจื่หน้าจําตามันไม่ได้นี่เแื่อเจ้าไปก็บรูกสินสินขันสมาธิขันปัญญาขันทำไมวะสินขันรูปขันมีสินรูปอันนี้มีสินมีแต่สินห้าปานา ต, ตาตาเวลามณีสิกขาปะทงสมาธาิญาณนอ่ทินาธรรมเวลามณีสิกขาปะทงสมาธาิญาณเขาไปพูดออกนี้เป็นสัญญาสัญญาคนจำสัญญาที่หลวงพ่อพูดนี่แสินนี่ไม่มีศินเมื่ีสินขันขันอันนี้มีสิเสมื่นทานาขันมีศินเนีเ่ยเมื่ทนาเขะตัวเมทานาจริงๆสัญญาขันสัญญาขันก็มีสินจริงๆสังขัน สังขารขันก็มีสิ่งจริงๆมีงวิญญาณขันก็วิญญาณขันมีมีสิงจริงจริงว่าสิ่งจริงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสยำงาบกิเลสยำงาบนื่คือโทสะโมหโะโลภะซึงได้เป็นหาประทานกรรมในทันลายออกไปแล้วเวทานาจงไม่ทุกัาริงไม่ถูกสังขารจึงไม่ทุกวิญญาณจริงไม่ทุกแต่เราไม่เห็นแบบนี้ไม่ชุบไม่ทุ ก, กเหมือเจียผีมันอยู่ที่ตรงนี้เองเทวดาอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่แค่งขาหน้าตาไม่เท่าเป็นผี มันจะแช่งขาหน้าตาโดยท่าเป็นเทวดาโตเวทนาเป็นเองโตสัญญาเป็นเองโตสังขารเป็นเองโตวิญญาณเป็นเองเป็นเทวดาเขาจะมองไม่เห็นเขาเรียกว่าตาทิพย์เห็นอะไรมันฟังคําพูดเขาเป็นขั้นเป็นตัวเขาเรียกหูทิพย์ฟังได้เองกายทิพย์ไปเลยกายเนี่ยโบถูกสกปกกแล้วเป็ไงกายทิพย์จิ่วมีตาทิพย์เห็นอย่างเั็มเมืตาทิพย์นั่งอยู่เนี่ยไปเห็นคนยากไปไกลๆผูันนั่งกลอีกทิมเนี่มันเข้าใจผิดกัน แต่ว่าหลวกพ่อไม่ได้ห้ามตาทิพย์แล้วนั่นก็มีหลวงพ่อเคยถามคนหลายคนมาแล้วอย่างน้อยเป็นพันๆทีเดียวละหลวงพ่อถามคุณอายุ ก, กี่ปีแล้วถามคุณก็ได้นะหรคุณคุณอายุ ก, กี่ปียี่สิบเก้าพ่อแม่ยังหรเดี๋ยวนี้หอยังพ่อแม่คุณเอาถามเลยเนี่ยคุณเกิดเมื่ อ, อไหร่สองพันห้า้เดือนอะไร <25. S 1> วันอะไร คุณรู้เองหรือใครบอกเนี่คุณจะรู้ได้ทําไมแต่เพียงเกิดศาตร์นี่ก็ยังไม่รู้อยู่เลยเดี๋ยวพ่อแม่บอกให้คุณจํามาใช่ไหมเออนั่นแนี่ไม่ใช่ว่าสัญญาของคุณสัญญาได้มาจากพ่อแม่เราบัดนี้อีกเตือนคำถามพ่อแม่คุณสอนคุณคําแรกสอนเรื่องอะไรก่อนคุณนั่งหรือคุณนอนพ่อแม่คุณนั่งหรือพ่อแม่คุณนอนสอนคุณคุณจําได้ไหมเนี่ยแต่เพียงตอนนี้เขายังจําไม่ได้แล้วจะไปจําสตร์แล้วศาสตร์ก่อนได้ทําไม อันนี้ก็สําคัญที่หลวงพ่อไม่ได้ห้ามจะเสื้อก็ไปเขาเสือ้อไปได้หลวงพ่อไม่ได้ห้ามแต่ว่าเสื้ออย่างนั้นก็ดีแล้วแต่หลวงพ่อไม่ให้เสือเ้อและบัตรนี้แต่ก่อนหลวงพ่อก็เชื่อนี่แหละหูทิพตาทิพมันเป็นอย่างนี้เราไปคืดลึกเกินไปอันตื้นมันก็จะว่าปัดทท่งไปทั้งหมดเลยมันเป็นอย่างนั้นจวิาวาควรเสื้อและพิจารณาให้เห็นแจ้งนอกก็เลยเกิดสงสัยแบบนี่ยตายแล้วเกิดไหมดวงจิตวิญญาณไปไหน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 เพราะพระพุทเจ้าสอนแต่เรื่องแก้ปัญหาตัวเองแก้ทุกข์เท่านั้นเองถ้าคนใดไม่ต้องเข้าวัดก็ได้นะอย่าทูาหาหลวงพ่อว่าเว้ยหลวงพ่อนี่ฮาบวาให้คนเข้าวัดไว้คนทําบุญแล้วบวชเน่ยอย่างนั้นแต่ว่าให้ฝังว่าคุ้มจริงเนี่ยไม่เข้าวัดจักทีก็ได้ไม่กักบาตรจักทีก็ได้ไม่รับศีลก็ได้ถ้าเห็นจิตใจตัวเองแล้วนั่นแหละประเสริฐสุดที่เข้าใกล้พระเจ้าที่สุดแล้วคนนั้นนะ่ะพอทุกข์ไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ย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 หลวงพอ่อไม่ได้ให้นั่นให้เรารู้แจ้งเห็นจริงเอาเองว่าอย่างนั้นตัวการฐานนั้นดีแล้วพรอประเทศอื่นเขาว่าเรียกสงฆ์ข้ออนุข้อวะาอย่างั้นบ้านหลวงพ่อว่าอนุข้อเขาบ้างว่าอย่นแล้วศาสนาคิดเขาว่าอนุเคขห์บ้านเราเรียกว่าฐานคำเดียวกันอนุข้อกับทานนี่คำเดียวกันโม่ผิดกันแต่ขวม ม, มันขุนละขวมแต่ควมมายอันเดียวกันเพราะว่าการทานนั้นมีหลายอย่างทานเสื้อทานผ้า ทานเงินทานยารักษาโรคอันนี้ก็ทานอันนี้ก็การให้ทานการให้ทานวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างพันวะยังบ๊ประเสริฐเท่าการทานทำการทานทำย่อมสนะทานทั้งปวงการทานทำนี่หมายถึงทานอันใดทานอย่างที่หลวงพ่อว่านี่กระทุกอันนี้ก็ได้แต่มันทูกเปลือกมันอันนี้บ๊อบเซมันถูกเนื้อแท้มันนะทูกเนื้อแท้มันทูกอะไรเนย่ยไผพูดอยะเรียกจสร้างใลยสัญญาไม่ใช่บ๊อบไปจํออันนั้นสัญญาม่ใช่รักษาตัวนี้อยู่เที่ ว่าให้มันทุกเพียรสัญญาตัวนี้พี่นะ่ะนี่หละาาาทานธรรมพันวาทานธรรมย่อมศาสฐานทั้งปวงเลยย่อมมันบททุกมีศาสน า, านทุกสิ่งทุกอย่างเส่าคนมันทุกประจิสนะอันในดๆลองคิดบุงเอาเองในที่หลวงพอพูดในพว่าพูดมาหลายเทอ้มมันก็ต้องพูดให้กันเข้าใจพูดให้เข้าใจยังซีหลวงพอพูดคำเก้านี้แล้วยูอย่างซี่นะ่ะเต่ว่าคนยังไม่เข้าใจบางคนเนี่เป็นอย่างนั้นที่นักศึกษาอันนี้เขา ไม่ได้พูดในนศึกษานักศึกษายิ่งเรียนมากก็ยิ่งทุกนักศึกษานี่ก็ได้ทุกพะเรื่องอะไรเหรียญได้จีสอบไล่ได้โน้ตเพื่อว่าขันสอบได้แล้วเสนอว่าจีไปสมัครงานอะไดโน้ตเพื่อวะเนี่ยมันคิดเต้คิดทางนั้นทุกได้หนึ่งทางก็ได้บันนี้ขับไปสอบสมักงานโบได้เสนออ้าวจีไปสมัครงานบริษัทใดโน้ตเพื่อว่าเนี่ยมันเป็นแนวไซนมันทุกกันคิดไปทําใหม่มันมาด้เรื่องอะไรมันมีแต่สร้างถูกแล้วก็สัญญาเหมือนกันเนี่ยสัญญาพราะเรียนจะขู่จากอาจารย์มัน บันนี้ไปเขียนข้อตอบอันนี้ตอบอย่างที่ถูกบุน้อผัอววัดเนี่ยทูกทั้งนั้นอันเนี่ยผิดถูกอยากได้ใบใจมันเราทําตามความคิดความเห็นของเราเนี่ยนี่แหละสมาธิไม่ใช่ว่าจะไปจําเอาทิฏฐิคนนั้นคนนี้เน่ยว่าสา ม, มาธิสา ม, มาสังกัปปะสา ม, มาวาจาเป็นมกแปดเขาเอินสา ม, มาธิขมเห็นถูกต้องวะเนี่ยอันนั้นกระทุกอยู่เด้บุตรเสด็จบุูกทุกตํำล้านเนี่ยทิฏฐิคมเห็นอย่างผัววัเนี่ยเราเป็นแถะอยู่ใส่เห็นมัน นี่ย่อสมาธิที่เห็นถูกต้องเห็นแท้ๆนี่เห็นแค้งกับหาที่ก็เห็นได้แท้ๆนี่นะเห็นหัวเห็นแขนเห็นขานี่ก็เห็นแท้ๆนี่ที่ๆก็ไปเห็นถูกต้องเห็นโตเฮานี่เห็นหูเห็นตาเห็นแขนเห็นขาเห็นโตเฮาได้เห็นถูกต้องแท้ๆนี่นะเห็นนั่งด้วยก็เห็นถูกต้องแท้ๆนี่เห็นยื่นก็เห็นถูกต้องได้แท้ๆนี่นะเห็นมันหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นถูกต้องแท้ๆนี่เห็นมันนึกมันคิดก็เห็นถูกต้องได้แท้ๆนี่นะอันนี้แหละเห็นถูกต้องแท้ๆบ้าผิดบ่าเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปได้ บ่เว่ า, าวอันนี้เลยสมาธิเห็นถูกต้องสาสมาเลยการงานถูกต้องแต่กระทุกเหมือนกันนมันเป็นเปลือกมันมันเป็นกระที้มันก็ดีอยู่แล้วจยู่ให้ทานดีแล้วนักษาส น, น, าา น, ษนาดีแล้วนี่ทำกรรมฐานดีแล้วเทศน์ศาสนาดีแล้วคขยังโกธเกียรตอยู่มีทุกอยู่กับไก่จักขุมจริงที่สุดพระพุทธเจ้าเห็ุมาแล้วแน่นเรื่องมุนแต่สมัยเมื่ อ, อยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า่ทานมันเนี่ย กระทานมาหลายแล้วบันย์บวชไปบันนี้ยเขไปเฮียนํากับอาลาดาบุตรุทะขาดาบุตรจนได้สมมาบัตแปดพุน่ะและเขาจังจีวัลภาษาจังใดจะแทงเห่านี่เขาบวซเสได้สมาบัตแปดเดี๋ยวนี้นี่เขาอยู่เนี่ยโบได้ยังพอแต่ว่าหูจักเวาเปล่งก้อนจีวัลว่าเป็น่นจังใมันหลวงพ่อไปนั่งทํากรรมฐานหน้าอกมีคลใครคือมันเลือดดามืดพุนนั่งเพ่งไปเพ่มาข้ามตัวนี้ไปพุนตัวแข่งปิ้งใดแม่ไม่ละกมันโคกอันนั้นน่ะ ทุกพอเจ้าของแน่นหน้าอกนี่นะแล้วเจ้าของกัญญาวาถูกต้องอยู่นี่นะพ่อคูบาอาจารย์วัดสอนถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องเชื่อไปของเซนต์ตีบูฮู้จักก็เป่นว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราแตถาคตเหมืนว่าสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราแตถาโคดคือกันเมือ่อเหี่ยวบูฮู้นั่นเมื่อเหาบูฮู้จําเป็นต้องเหยียนต้องเหตต้องทําฮู้แล้วก็เาสาเซนต์ว่ามันผิดนะจีน่า ก, กันอย่าง น, นี้แล้วคิดถี่ไปเห็นถูกต้องว่าเลยเห็นโตเฮาเนี่ย เจ้าทุกต้องแท้ๆประเดี๋ยวไปเห็นพี่เห็นเทวดาจังไหนมันบ้แม่นอันนั้นนะความคิดของเขานี่มันลอกเขาเพิ่นระเอิ่นนี่มีไก่จีนทําได้ประวัตินี่มีมิดตัวเครื่องหมายเพิว่าแต่มันพลิกมือจับมือหายใจอยู่ในบุยเห็นอันนี้มีมิดอันนี้แหละจิตใจมันคิดเห็นปุ๊บเนี่ยมีมิตดตัวเครื่องหมายให้เขารู้อันนี้เห็นอันนี้เข้าใจอันนี้หมายอยู่นทำอันนี้เพิ่นว่าให้มันแนบแน่อยู่กับอันนี้จังหวะสัญญาความหมายรู้จำได้เพิ่นว่า มันจึงจะมามาลอกเขาโตเวทนาโตสัญญาโตสังขารโตวีนันมันเป็นนามรูปอันนั้นมันมาลอกเขาเขาเห็นความจริงแล้วโอยมันบ่มาลอกเขาแล้ว <BR> ท <Christianity> <S iros> ี่มาลอกเขาได้อย่างไรเขาเห็นจริงตัวนี้เมื่อพ่อแม่เขาตายเขาเคยว่าบ่เขาเห็นคนคนนึงว่คืออีพ่อแท้แทคืออีแม่แท้แทเนี่ยเขาไปจัดบนเม่พ่อเาแม่เขาแท้บอสบอมแอนคือซื้ออันนี้เขาก็ไปเสื้อคูบอาจัดอย่างสันเสื้อไดอย่างไดอย่างสัน เล้วพึ่งกันยังบอกว่าอย่าเสื่อเนี่ยให้ปฏิบัติดูเองเห็นเองเข้าใจเองจริงๆนี่นะยังเสือ่อใดเนี่ยตนจึงเป็นที่พึ่งของตนแท้เพื่นว่าอย่าไปพึ่งผู้อื่นคันเราไปถามผู้หั่นผู้นี้มันมันไม่สงสัยว่าไม่พึ่งตัวเองด้วยนั่นนะี่ว่าพึ่งอย่างว่ า, วาทำเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและคนอื่น น, นั่นไม่เป็นธรรมนั่นไม่เป็นวินัยนั่นไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติี่ อยกาไปศึกษาตามแบบนั้นยากไปไปปฏิบัติตามแบบนั้นหลวงพ่อยังเฮ็กอยู่ได้สิเนี่ไม่เป็นอย่งัอันนั้นระเบียบเบียนตนเองหลายอยา่างที่เบียดเบียนตนเองในบุตรเส้นน้อยเด้เนื้อท่าจะพูดนะมันลึก ๆ, ๆเข้าไปนั่งกรรมฐานเจ็บแขนเจ็บขากรเบียบเบียนตนเองไปเข้าตัวแข้งก็ะเบียบเดินตนเองหลับตาก็ะเบียบเดินตนเองอดเข้าอดน้ำกรเบียบเดินตนเองทางนั้นนะ่ะเ ด, ด่๋บุญด้ว่าผู้อื่นเนี่ยวาหิยาพ่อเนี่ยผู้อื่นยิ่งให้กทําสร้างหิยาพาวลุยหิยาพ่อนี่แหละ เ่อควรศึกษาและควรปฏิบัติเนี่ยพอเลิกเนี่ยพอทำเราใดเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินยัยนั่นแหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าควรศึกษาและควรปฏิบัติเพิ่นว่าอย่างนั้นอันบ่เบียดเบียนตนเองคนหนึ่งยกก็ควลคิดนี้แล้วมันบ่เบียดเบียนไครแล้วขันเอาทันมันแล้วขันโบทันมันก็จะไปหักผู้ทันไปสั่างผู้นี้คิดอยากเห็ุอนั้นคิดอนั่นแหละเบียดเบียนคนอื่นเรื่องนั้นเบียดเบียนตนเองกับปานั้น ไปเล่าออกไปแล้วคนบูรุษจักกระทำไปแลยเนี่ยเบียดเบียนผู้อื่นนะเพื่อนวายเงาะหือเป็นก้างของคอของโลกเรยอว่าคันเทศให้มันจำนวนดีๆเพื่อนว่ากินป่านะฮะกินแต่ก้างเพื่อนบุกินเนื้อจากเทือกเพื่นว่ากินตู้กินเนื้อก็กินแต่ลูกเหมือนเพื่นวางาะจันจ้าหลวงพอโบว่าเมื่อนี้แต่เขว่าไปแล้วเมื่อกี้ก็เลยว่าโบว่าก็ว่าไปเลียมันเป็นอย่งซันอย่างหวาเขาต้องพยายามหาของจริงๆรับรองได้เรื่องนี้่ของจริงอันเนี้ย แล้วก็เลยมาว่าสัจจะสาบะนี่สัจจะเป็นของจริงแล้วทำไมจิโมว่าจะถือของจริงทุกคนต้องตายประเทศนี้ผู้ยิงกระตายผู้ใายกระตายเจ้าหัวไอจิโวกระตายคนรู้ธรรมะกระตายคนบู้รู้ธรรมะกระตายคนลุยกระตายคนจนกระตายนี่คืสัจจะอันหนึ่งเนี่ยสัจจะเป็นของจริงเนี่ยมันนี่เอาไปค้อนไปตีเขาจะเป็นสัจจะคือกันหนึ่งยกมือไว้เขาก็เป็นสัจจะคือกันอันนี้ก็เป็นสัจจะสมมติอีกกลุ่มหนนี่ก็ได้มันยังจะไม่สัจจะอย่างที่หลวงพ่อว่านี่เนี่ ปานาอาทินาการเมุสานี่สัจจะกิต้บอกไม่สัจจะย่างหลวงพ่อวาน่สัจจะหลวงพ่อวาเนี่ยทุกคนต้องประสบเรื่องนี้จวนจะตายนี่ตายทุกคนแต่จวนจะตายเนี่ยจ้องประสบเรื่องนี้สะก้อนเขาจีเห็นเขาจีหูแต่ว่าคนนั้นจีดำมืดไปหรือหรือจีไปดูคนแจ้งไปดูใต้ฝายหรือจีไปมือสวยขันใต้ฝ่ายเนี่ยเขาจะได้ระวังไฟอยู่ไฟจีมอด คันไม่สาฟ้าได้จับแหงก็ได้สาสายก็ได้แก้มไปที่มัจจิบรมคันสาเทียนไาจะเกียงนี่แท้คันโบเบสโปงอมกับหมอดมันเป็นอะไรกันคันไปมืดสวยนี่แทบเดือนแจ้งแทบโบได้ระวังคันไปคมมืดได้บันเน่กับสนหลักสนต่อลงโคลงคลองลงบ่ลงเหวไปเสนแล้วคันไปคมแจ้งคันเป็นหลักเป็นต่ออยู่กับเรนได้มันเป็นอะไรกันคันมีไฟไต้รกับโบเยียบคันทับไฟเสียงนวดกระเยียบกับนีมันเป็นอะไรันน เอาจะตายริงๆต้องประสบเรื่องนี้จริงๆรับรองได้ทุกคนต้องประสบเรื่องพอดีประสบเรื่องต้อแล้วก็ย่างหนานบวกเกินห้านาทีก็จะแน่นอนมันตายเท่ๆแล้วนั่นพันวาจังครันพระพุทธเจ้าพันวาจึงว่าสัจจาตัวนี้คนจึงบอเอามาวางเป็นหยังจะเปว่าแต่สัจจาอนั้นเพราะว่ากลัวกลัวคนจะหูบันนี้คนก็พึ่งบุญจากฟังอีกเตื่อย่างตายไวเพราะว่า ผู้ยืนกระซางผู้สายกระตามถ้าเป็นฆราวาสได้ปฏิบัติธรรมะถึงที่สุขหรือหู้จัก ห, กหกรือแจ้งใหุ้ยี่และบวเกินเจ็ดวันตายคนกเ็เลยยานตายบปเนี้เลยบริจาคปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันควรเข้าใจของคนนี้มันไกลกันในแท้นะของจริงอ่ะแล้วผู้ใดเกินเจ็ดวันนี้ตายลงว่าบังนู้ตายภายในเจ็ดวันนี้แหละวันอาทิตย์วันจันทร์วันคาำวันพุธประหัสสุขเสาร์ตายนี่เลยโบยตายบุญก็ตายมือนเทะ โบาตายเศร้ากับตายสวยอยู่แหละตายเมื่อคำเมือ่อคือตายยืดทำในจิตวินญาณนี่เละแล้วเขาก็เลยบูรยากปฏิบัตธิธรรมอะเนี่ยยานตายนะเนื้อมันเข้าใจมันตรงโบเหา เ, าเพราะเหาหูนวกกับว่าไดตาบอดกับว่าได้มันโบมีปัญญาบัด น, นี้ฝังเราไปพิจารณาเอย่าเสื้อยาพอคันซื้อยาพอก็ไปเสื้อยาพออีกตึมแล้วมเดือดฟักที่เดืกับยาพอก็บพิษอีกตึมแล้วแบ น, นี้ ให้ไปพิาจารณาเจ้าของไปปฏิบัติรู้แจ้งจริงๆเอาคุณได้จังหวัดตนเป็นที่พึ่งของตนนั่นน่ะนั่นเป็นแาวสันนี้เรื่องนี้หลวงพ่อประกันได้เมื่ออายุสี่สิบหกปีย อ, กอย่าพอลูมาเรื่องนี้จังหวัดโอ้พุกคนเมือนกันมดถ้าหากปฏิบัติให้รู้แล้วรู้แท้ๆนี่แหละควรเป็นพระของคนมันอยู่ที่นี่พระเออผู้สอนคนต่างหากที่ซื้อเนี่ยอันหลวงพ่อในขมีอเนสส ม, มุติเป็นพระนี่นี่ นี่เพิ่นกะเอ้อหลวงพ่อเป็นบ่เนี่ยก็เอินหลวงพอ่อซนเนี่ยก็เป็นพระเนี่ยสมมุติพระแต่ผู้สอนคนพูนเนี่สอนให้คนหมดทุกข์พู้ได้เพราะเอิญพระผู้ใดมีความผู้สอนคนให้คนหมดทุกข์ได้ผู้หั้นเป็นพระเธอจึงว่าพระโสดานแต่ผู้มีจักษุพระสักกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์และพระตัจเจตเป็พระพระพุทธเจ้าคนบาเป็นขันเป็นตนแล้วคนจริงเขาโบนได้เป็นหันดรเขาโบนได้เป็นพระกษัาสาแต่ไสอนคนหมดทุกข์กับใครได้ สิ่งพจนว่าเนีก็ทำสารแล้วสมมติได้นั่นน่ะก็สมมุติบัญญัติเนี่ยปรามัดบัญญัติอัทธะบัญญัติอริยมรพระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วแต่คนเดียวนี่ก็ยังฟังบุตทูกเนี่ยบอกว่าตายเลยก็ยังฟังบุตรทูกอยู่เรเด็กนี่จิวารอย่างไหนคนบุญอยากปฏิบัติแท้ๆได้ย่านตายเนี่ยอันปฏิบัติรู้ธรรมะได้ย่านได้ไปบวชอีกซึมงผู้สายก็ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไม่ออกเพราะออกก็ย่านลงย่านผวกพัทธาจากกันไปแล้วกันเนี่ยมันเข้าใจไปจังสันเนี่ย ด้วยาะปฏิบัติธรรมกะตายเจ็ดวันนี้คือกันเมืนบอกนี่ยเขาเข้าใจอย่างสั้นจิงว่าให้เข้าใจการฟังเทศฟังธรรมที่หลงงวงพ่อนํามาไว้ฝังเนี่ยคือเว้าเป็นหัวข้อสันส้นๆได้ว่าจินคว้มกว้วงมากที่สุดหนึ่งสัญญานี่จําให้มันดีควมหมายรู้จําได้มันจะจําอันใดสนพิมพมือก็กระลู้สึกตัวใจมันคิดรู้สึกตัวสัญญามันรู้เนี่ยเนี่ยรู้บัดนี้ วันนี้มันจะโกรขึ้นมามันกร็รู้กับีก็สัญญารู้อันนี้บุญแม่สัญญาเอาคอไปวางไวา้ให้เราลืมแล้วอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่อ ง, นงนหนึ่งแน่นอนก็ได้มันเรื่องสัญญาสัญญาอันนั้นบุแม่สัญญาปรมาัดได้นั่นอันนี้ปรามาัดแท้ๆได้เนี่ยเป็นอัฏฐะแท้ๆได้เดี๋ยวลึกญากบุคุณจะรู้เพิ่งว่ารู้ได้เฉพาะผู้เป็นภา ร, ริยบุคคลขั้นต้นนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเพิ่งว่าจึงวันได้กระแสรพระนิพพานได้ต้นทางพระนิพพานเนี่ยต้นทางจะได้สิใด ได้เป็นรักษาสินโดดทุกยุ่งเลยต้นทางนี่คือหมายถึงทําลายโทสะโมหะโลภะได้พี่ได้ต้นทางมันจึงว่าเป็นทางไปนี่เลยเข้าใจอย่างสรได้อย่างพอพอดีทําลายอันนี้ได้แหรอคะเวทนาไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุ ก, ทกพอดีไม่ไม่ทุกแล้วก็กิเลสตัณหาอุปาทานนี่มันที่เป็นอย่างเหนียวขึ้นมาก็จางไปเลยเหมือนกับน้าสีไม้เนี่ยเอายอมผ้าแลว้วโบติแลบัต น, นั้นเป็นอตันติกาติน้อยที่สุด นุพ้ออย่ามกเตียยไว้นักมวยขึ้นเวทีซกสาตามันลดไปเดียวมันจีเห็นมาแล้วกับไอ้โคตสู้มาแล้วเนี่ยเจ้าโทสัจเจ้าโบหาเจ้าโลภะเจ้ากิเลสจะตัญหามาแล้วซกสาตามันลดไปเดียวซกสตาแล้วมันจีมาสู้เหาได้บ่มันก็มาสู้โบได้เสียหนอะนี่ทางไปอันิสัยนี่นะมีศีลจึงไปเครื่อากำจักกิเลสอย่างเงามีศีลแล้วเนี่ลูกขัดมีศีลแล้วบ่นเวทนาขัดมีศีลแล้วเนี่ย สัญญาขัดมีสินแล้เนี่ยสังขารขัดมีสิินแล้ ว, วิญญาณขัดมีสิินแล้ววิญญาณจึงแปลว่ารู้บพราะแทวิญญาณเนี่ยไปยังสัญญาซีหลวงพอกับวาหละเถือเ ล, ลื่นเลื่อนเหมือนกันวิญญาณแปลว่ารู้ดีเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงตั้งเก้าล่วงภาวะเดิมพี่ไนียเป็นงานของมิปรสนาจึงมามันแนบแน่นอยู่จังันอันนี้ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเพื่อว่าให้พวกเราได้ออกไปพิจารณาเองญาติเสือต้องปฏิบัติบึบ่ง ถ้ามันผิดเล้วมาว่ากันอย่างพอได้รับรองมาว่าคําพูดอันนี้หลวงพ่อไตกรองตัวมาค่ะว่าในระยะสามเดือนหลวงพ่อพิจารณาตัวเองอยู่โอ้ของจริงมีมดมีมัดทุกคนว่าผิดกันแต่ว่าคนนั้นจิตปฏิบัติให้รู้หรือว่าปฏิบัติให้รู้ของที่คว่หน้าอยู่อย่างนี้คนน่าจิงง่ายขึ้นหรือจีบง่ายเท่านั้นจริงเกี่ยวมันอัดแน่นอยู่เนี่ยคนน่าจีงมายเกี่ยวทิ้งหรือจีบหมาเกี่ยวทิ้งเท่านั้นจริงถ้าคนนั้นมีความสามารถง่ายขึ้นกับเห็นรถของที่มันปิดอยู่ครับ เปิดกันเอกเกี่ยวที่มาดันนี้ก็หันออกไปมันผู้เดียวมันรุดมันไม่มีเกี่ยวเจาะเออมันไม่มีเกี่ยวติดกันแล้วเน้ยขงเจาะหูไว้เด้มัดก็ได้นไม่เอกไมาเอากับมันก็ตกโอซนอปันเนี้ยจับสุกเข้าปันเนี่ยจับสุกเข้ามันกับเผื่อเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวหวานโดยเฉพาอนัดหวานนั่นอย่างวันมาเนี่ยโา้หนูพอบุ้งัวมันเลยเนาะมันหวานนะมันมันกับเอาเขากระบอกเขาแล้วก็เที่ยไปโปโลกระสนคนมันถอดออกเลยทีเดี พี่ได้เงาพอวาจะเป็นสัญญาแทนได้ยังไงจังหวะในนักมวยขึ้นไปในเวทีซกเสตามันลดไปเดียวจะไปซกแข้งซกขาบัดนี้ยคำมันจีซกเขามันกับซกแข้งซกขาเมืนก็บจีเจ็บเนื้อเขาตอนเขาบวเจ็บแล้วเขาอยู่สูงกว่ามันจับหัวหนักงันนก็ได้นี่นะว่าภาษาบ้านหลวงพอเนี่ยมันจีขึ้นมาสู้เขาได้บวชเขาใหญ่ก้อนมันแล้วอันนี้เขาน่ยขึ้นในเวทีแล้วก็ซกแข้งซกขาเขาบัดเนี่ย เขาใส้ลุมตาเขาก็ง้อยลงนับหนึ่งสองสามแผ่แลว้วภาวะเนี่ยมันเป็นอย่างนัง้นอันนี้อวิธีอันนี้นนจิตคาดคะเนเอาไม่ได้จินรู้ล่วงหน้าไม่ได้นึกคิดเอาไม่ได้หลวงพอเคยนึกเคยคิดมาแล้วเพราะหนังสือก็บอกไว้แล้วรับรองว่ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองจึงโบเซื้อไผ่ซื้อตัวเองจดตนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งคนอื่นไม่ได้ผลว่าตาบใด เมื่อใดเขายัางตัดบุขาดนะั้นอย่าไปไว้ใจเมื่อตัดขาดแล้วเราจะรู้จักว่าสภาพนั้นเป็นอย่างตั้นสภาพนั้นเป็นอย่างตันรู้เองโดยไม่ต้องถามใครเลยมดสงสัยมดความกังวลใจมดให้ว่าได้ไปหลวงพ่ อ, อยังเปรียบไว้คือเขาอุ้มผู้น้อยนี่นะเอามือไปแตะก้นมันขาวมัดมันจืดมัดมเหมือนกับสมัมฤทธนี่นะ เอาสมฤทิ์แห้งๆนี่ไปสุกสนามปุ๊บวราบีบออกมัสํามีเนี่ยน้ำมันบบกินดูผ้าไหนร้อนหรือเอ็นเนี่ยเอาไปจุดน้ำจุบอย่านัอดทอดออกมาหมดน้ำมันโบแทกซึมอันนี้ก็คือกันจี๊วมันคาดกันแล้วจี๊วไม่ต้องพูดอายตนาก็ไดไม่ต้องพูดขันห้าก็ได้ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้เพราะมันเป็นเองแล้วเพราะกลับมาให้มันเป็นนยางนันะมันจิตเป็นได้อย่างไรเขาบอปฏิบัติเอามันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติอันเนี้ย มันวูบขึ้นอยู่กับการเห็นแจ้งอันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการรู้จริงอันเนี้ยมันของจริงมีอยู่อย่างตันจรู้มันก็นมีอยู่อย่างตันมัรู้มันก็มีอยู่อย่างตันเพืนว่านิตรพานมันจริงว่าอามาใสากับการขับงานอยู่ใสต้องใสดีผ่านมิตรพานจริงว่าเป็นของทุกคนโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอาหานเพื่นว่าอย่างตันหากมีผู้ประพฤษษษษษติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยยูนหาบ่เหตุจูโมเด็ยนเนี่ย โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอาหนผู้ว่าขันธิยู่สงบแล้วเนี่ยสงบตายจังไหนพระมกฤกพระพุทธมณี่ไปให้คนคุณคิดอันนี้คุณวายเขาก็ะชิ่สงบงได้อย่างไหบ่ได้ก็คิดถึงอันนั้นคิดถึงอันนี้แม่ไม่ได้ก็คิดฮักคิดสังมันบสสงบอันนั้นมันสงบต้งงจะขายตัวลูกนี่ได้ซื้อใจมันโบสสงบได้เนี่ยนี่ให้เข้าใจอย่างสันที่หลวงพ่อนํามาไว้ฝังมือนี่มีทางภาษามึงเลยพรอมาหลวงพ่อขันธวาอย่างซี่อจะว่าภาษามึงเลยเนี ให้หลวงพ่อว่าภาษากรุงเทศนี่กับว่ากับวายากแล้วเพราะว่ามันบุกเคยได้มามาเยนเอาไม่ได้เนี่ยบงั้นมันก็ต้องหักว่าแต่แม้กันยังผิดไปหลายอยู่ข่มเที่ยนไปหละมันเป็นอาไรตอนนี้จึงว่าให้รู้จักจริงๆเรื่องกรรมฐานด้วยวิปัสสนาเนี่ยให้รู้จักจริงๆกรรมฐานนั้นน่ะกับบวายพวกนั้นด็อกหลวงพ่อว่ามันเบื่อเบียนจนเอ๊ะหลวงพ่อเฮ็ดมาแล้วอันนี้บุกควรศึกษาและบุควรปฏิบัติหลวงพ่อว่า ตะกี้หลวงโคศึกษาตะคนนั้นลวงโอปฏิบัติเดืยนนี้เสาแลลรกหลวงโคโบเฮ็์แล้วไพจีเฮต์ก็อยู่ดีน้ำบั ว, ว่ายินดีน้นบัวห้าถ้าเฮ็ดไปแล้วขันนทุกแล้ว ก, ก็ดีถ้าบัวพลุกเลยเสียเวลาอืเสียเวลาการไปการมาเสียเวลาการทํามาหากินเสียเวลาทุกสิ้นทุกอย่างเป็นอย่างนั้นถ้ามันพลุกแล้วดีดมดทุกอย่างจังว่าให้มันรู้จริงๆเฮาจีเฮต์อย่างต้องให้มันรู้จริงๆพเพราะเฮามีสิทธิเต็มที่แล้วเดีือนนี้ จะเป็นมนุษย์แท้เป็นอิสระแท้เป็นคนไทยแท้โบทูกอันในมาปิดบังได้แท้ยังว่าเป็นอิสระเนยคำว่าอิสระนี่บุว่าอยากพูดอัะไรพูดอยากเว่าอัะไรเว่าบุษ ม, มีอิสระแบบนั้นเน้คำว่าอิสระนี่นะหมายถึงมันพ้นจากข่มคิดมันเห็นแจ้งมันรู้จริงเป็นอิสระแท้โบถูกปุ้งแ่งต่อไปเป็นมาคนไทยแท้บัณฑ์ี่ย คนไทยแท้ก็หมายถึงอยู่เหนือกิเลสตัณหาอุปทานคุณวัดถ้าหากอยู่ใต้กิเลสตัณหาอุปทานนี้ว่าเป็นคนไทยอย่างเป็นทาสเขายู่พันวานัสันอันที่พูดให้ฟังวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกเวลาแล้วถ้าที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ในสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำตั้งสอนของอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณของพระลันตาสาวกพระสมมาสัมปรสจะมาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงดังพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้ตนตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตถาคตนี้เให้เราได้ประสบพบเห็นเอาในชีวิตนี้ อันไกล้ๆดีแหละขอให้ทุกคนทุกคนมีดวงตาเห็นธรรมเห็นเอาจริงๆในเวลาอันกล้นี้จงทุกๆคนเธอ